Book 2 9เก้าสิบเก้า e วิดอินเดคำแสดงความเป็นเจ้าของเกนิทิวแมวของแฟนดิฉันมาชกาโมเย p r ิแอตเตลิเซ สุนัขของแฟนดิฉัน per smyga priatelja ของเล่นของลูกดิฉัน igrače moj otrok นี่คือเสื้อคลุมของเพื่อนร่วมงานของดิฉัน to je p l a s t moj s o d e l a c นั่นคือรถของเพื่อนร่วมงานของดิฉันโยออโตมอยซอเดลอฟเคนั่นคือผลงานของเพื่อนร่วมงานของดิฉันโยเดโลมอยซอเดลอฟเซวกระดุมของเสื้อหายไป กลุ่มสไลเซอยอทพาเดวกุญแจโรงรถหายไปคลิวาาจาก garage นิเวชคอมพิวเตอร์ของหัวหน้าเสียเชฟว์รัชุนาลนิกเยปกวารินใครคือพ่อแม่ของเด็กผู้หญิง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 เมืองหลวงของสวิตเซอร์แลนด์ชื่ออะไร k า k o s e i m e n นูยะกลเหนังสือชื่ออะไรคาคชันเยนัลลูกๆของเพื่อนบ้านชื่ออะไร kakose imenu ยย โรงเรียนของเด็กๆปิดเทอมเมื่อไรคุณมอทำงานกี่โมงถึงกี่โมง เวลาทําการของพิพิธภัณฑ์คืออะไรอบคัติริอ r ร์เยอตเป r t ์ตามูเซ